วันทึกวันที่ 25, ย, 25, ยี่สิบห้าเมษายนสองพันห้ารอยสิบเอ็ดซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบหกเราก็จะเดินไปพั ก, กที่สงขลาตามคำรัธนาของท่านนายกการจังหวัดสงขลานี่มาคุยกันต่อไปว่ากันย่อๆดีกว่าเป็นอนุว่าเดินทางเมื่อวันที่สามเมษายนสองพันห้ารอยสบเอด ลองมาทางใต้ใกล้าชายทะเลเป็นทางใหม่คือทางสายเอเชียมถึงท่าข้ามสงขลาสิบสองนาฬิกาสิบออกจากออกจากทุ่งสงเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็เดินทางกันไม่นานแล้วก็กินข้าวกันในในรถตลอดมา มาตามทางเจ้าหน้าที่คือไม่สมบูรณ์เอียงสงสัยว่าเจ้าตรงเตงทํงไงถึงวิ่งช้าเกินไปก็ปรากฏว่าเมื่อมาถึงเยนาคุณหมอบุญญาสิทธิสามีของคุณละพีเลขากุลได้เช่าสํารวจช่างที่มีความชำนาญมากสํารวจตรวจสอบก็ทราบว่าเจ้าตรงเตง ก่อนที่จะออกจากกรุงเทพปรากฏว่านําเข้าไปซ่อมที่อู่ใดก็ไม่ทราบความจริงเจ้าตรงเตียงนี่มันวิ่งเก่งมากมีความแข็งมากถ้าปรากฏนี่ซ่อมช่างซ่อมในกรุงเทพซ่อมแล้ก็แซมแซมแล้วก็ซุกๆุกแล้วก็สนทําเอากําลังเขาจ้าหน้ามนตรงเตีตงตกไป ไม่มาบ่อยฟังว่าช่างเขาสำรุดแล้วปรากฏว่าถ้าเทียบกับรถเบนซินก็ถือว่าไฟอ่อนเกินไปเราใส่เฟืองผิดจังหวะความเียงรถดีเซนต้องมีกําลังของหัวฉีดมีกําลังปอสม่เสมอตามกําลังที่กาหนดไว้รถนู้จริงจะมีกําลังนี่บรรดาช่างนี่เราก็เชื่อเลยไม่ได้มันเป็นช่างเถรสมากทําให้มันออกวิ่งไปได้ก็แล้วกัน ทำรถที่ดีน้อยให้ดีพอดีตามเดิมก็ยังดีแต่รถนี่ดีอยู่แล้วมากกับกลายทำให้กลายเป็นรถมีกำลังน้อยดีน้อยก็ต้องคิด <c oughs> แต่ถึงอะไรก็ดีเขาก็เอาสตางค์ไปแล้วมันเป็นเรื่องของเขานี่การถือว่าโอ้มีความสำคัญจะเรื่อยไปมันเป็นภัยอย่างนี้ <c oughs> เป็นนั้นว่าเดินทางมาถึงจังหวัดสงขลา สงขลานี่ก็น่าคิดเอาไว้พูดกันวันหลังเดินลอลัดตัดทางมาเข้าเขตนาทาวีเอ้าจ่าสงขลานาทวีเป็นเขตประวัติศาส <c oughs> ตร์ถ้ามาปีพศสองพันห้ารอยี่สิบพระบาทสมเด็จเจ้าหัวต้องมีพระบรมราชโองการตรัสสั่งให้พ่อนัง่งหอไปเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจ น, นอบพอพอตะเวนชายแดนที่นั่น ว่าอดีมีข่าวว่าพวกผู้ร้ายเขาจะเข้าโจมตีมตำรวจตะเวนชายแดนพ่อมานึกสังสารใจจึงได้บอกกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมฐานเจ้าหน้าที่คุมฐานก็บอกขนลุกพลวานนี่เองได้ยินข่าวมาว่าเขาจะเข้าโจมตีในที่สุดเจ้าเนีให้กําลังใจแกพวกเือว่าเมื่อพวกเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อบ้านเมืองมีระเบียบอีไน่ฆ่าสิกไม่สามารถจะทําได้ ในที่สุดข้าสิก็ไม่มีโอกาสจะทําได้จริงๆนี่เป็นอันว่าจวกทั่งถึงวันนั้นถึงวันนี้ข้าสิกก็ยังไม่ตีเวลาที่เข้านาทวีก็รู้สึกว่าห่วงอยู่นิดนิดคันรถวิ่งมาผ่านหน้าวัดทั้งโปทวดก็พอดีนาทีคนขับรถไปจำข้าเปิดไฟขอทางไม่ทั้งวิ่งมาข้างหน้าเจ้าตองแต่ง พอหยุดรถวี่งไปถามว่าหลวงพ่อเรียกผมหรือนาทีก็บอกไม่ได้เรียกผมเปิดไฟขอทางรถติดสนมาเ <c oughs> ปน็นรื่ว่าพอดีถึงวัดหุวงปู่โทษแมย์ก็คิดว่าจะแวะวัดหลวงปู่โทษเราก็ร้อนหนักก็ไม่อยากจะแวะหุวงปู่โทษจะวิ่งทัี่ไหนก็ได้หลวงปู่โทษเป็นพระที่มีความสําคัญองค์หนึ่ง คือว่าลุงปูโทษเวาลือว่าเหยียบน้ําทะเลจืดแต่ว่าจืดเป็นจุดที่ท่านเหยียบบริเวณใกล้ๆสาหรับลุงปูแดงจังหวัดเพชรบุรีท่านบอกว่าท่านมีอํานาจยิ่งใหญ่กว่าท่านสามารถเหยียบน้ําจืดทางแม่น้ําเพชรบุรีให้ออกมาทะเลเข้มทั้งทะเลนี่เป็นการพูดสนุกๆ ก, กันไปสําหรับ้าผู้ใหญ่แต่ความจรงิงลุงปูแดงก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกัน ท่านเป็นพระเต็มพระที่ควรจะการสักการะบูชาสำหรับหลวงปู่ทวดนิสสัมมาว่าท่านปราถนาพุทธภูมิก็ต้องคิดพระตีปราถนาพุทธภูมินี่ต้องคิดมากถ้าไม่คิดก็เสร็จเดินทางต่อมาเข้าถึงเขตทางแยกปัตตนีนราธิวาสซึ่งไปทางซ้าย แยกมายะลามาทางขวาคราวนี้โดนเท่าเขตสุดเขตของประเทศไทยภาคใต้ไปถึงจังหวัดสงขลาแล้วออกไปอีนิดไปทางส้ดาวก็ออกด่านประดังเบซาหรือว่านทั้งนั้นมีสองด่านจังหลนกับประดังเดซาเดซาท่านนี้ก็มีสงายโกลก ข้าใบปัต น, นีทนาาธิวาตชายทะเลเป็นเขตของประเทศไทยเป็นอันว่าขบวนของเราเดินทางทั่วประเทศปีนี้ภาคเหนือสุดเชียงรายแม่ฮองสอนเดินทางล่องใต้มาถึงจังหวัดชายแดนภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเรานำของไปแจกถึงที่นั่นบางทีตัวจะไม่เด็ดไปแต่ของไป ภาตะวันออกทั้งสายภ า, สภาคอีสานทั้งสิน้นเป็นอันว่าเผ่นดินไทยพ่อตนงเดินทางทั่วแผ่นดินมาหลายปีแล้วตามคำบอกเล่าไม่ทราบว่าใครท่านร้งองมาดนคราวนั้นมาปีพศ .2517 ที่จังหวัดชุมพรว่าเจ้าเท่ากรรมเก่ามันถึงเองแล้วเองจะต้องเดินทางทั่วประเทศ นี่มันก็ทั่วจริงๆท่านมาถึงจังหวัดยะลาปรากฏว่ามีข่าววา่าเทปบันทึกเสียงของพ่อในมีโอกาสออกอากาศที่ปชสอของจังหวัดยะลาและปรากฏว่าท่านเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสถานีกับหัวหน้าฝ่ายกุ่มเครื่อง <c oughs> ท่านมาหาพ่อแตงกับอกว่าเป็นความประสงค์ของท่าน ท่านต้องการจะใช้นาทีรรหรือเวลาทองขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าออกาศตแต่ก็ไม่าสามารถที่จะไปหาถ้อยคำการบรรยายธรรมะของบุคคลคนใดให้เป็นที่ถูกใจของประชาชนวันนี้รระพีลูกพอ่อได้มีเทพของพ่อมาจะได้มอบเทพไปให้กับทางสถานี ทางสถา น, นีก็นำออกเห็นทางสถา น, นีในสถา น, นีผู้ควบคุมท่านบอกว่าเป็นที่สนใจเข้ามาชาชนพ่อก็ดีใจไม่ใช่ดีใจในความสามารถของพ่อแต่ดีใจที่กระแสรัสดธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงใจคนและคนผู้รับฟังท่านก็มีกำลังน้ำใจเป็นมหากุสล เรี่ว่าคนดีทำดีก็เลยเข้าถึงกันได้เป็นที่ชอบใจธรรมะก็เหมือนกับเพื่อนรักแต่คนถ้าไม่รักกันก็คบกันไม่ได้ถ้ารักกันมาอะไรคบกันได้มานั้นฉะนั้นชาวจังหวัดยะลาคนดีปัตตนีก็ดีนราธิวาสก็ดีพัทลุงก็ดีตรังก็ดีสงขาก็ดี โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสถานีของยหลาเคือปอจ๊มีกำลัง50กิโลวัตต์ท่านกล่าวว่าฟังได้ทิ้งจังหวัดเชียงรายแต่ท่านผู้ควบคุมสถานีที่เป็นผู้ใหญ่ชั้นเอกท่านบอกว่ารู้สึกว่าเป็นที่สนใจของประชาชนวันดีเพราะมันนอนอยู่ทั้งคืนที่สองเื่อนที่หนึ่ง ก็นั่งคิดว่าวันรุ่งขึ้นจะพูดถึงประวัติการเดินทางต่อมาในเวลาเช้ามืดมีเสียงบอกว่านี่เรื่องนั้นแล้วงไปก่อนนะเพราะว่าเรื่องสําคัญต้องมีอยู่พ่อฟังแล้วพ่อมองดูพ่อก็ไม่รู้ว่าใครพ่อมองไม่เห็นจึงได้ถามว่าจะใช้เรื่องอะไรบันทึกเสียง ก็บอกว่าให้บันทึกเสียงเรื่องน้ำพระทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนผ้าตายและคนทั่วประเทศพ่อก็ยอมรับว่าถ้าต้องการเช่นนั้นแล้วก็พ่อจะทำตามคำสั่งแต่เดาว่าเมื่อมีคำสั่งมาแล้วเวลาจะทำก็ต้องช่วยกันเสียงนั้นบอกว่าไม่เป็นไร ถ้าสิ่งใดเป็นการสมควฉันจะช่วยเมื่อทำการบันทึกเสียงวันเดียวเสร็จซึ่งไม่เคยทำมาก่อนหกเทปแค่สามเทปหกหน้าเรียกว่าเป็นการทำอย่างเร่งรัดทั้งนี้เพราะอะไรที่ทำได้เพื่อการมาพักที่บ้านลาภีเลขะกุล น, นี่มีความสุขมากหนึ่งเธอมีห้องแอร์ให้นอน พระย่างพ่อต้องเป็นพระห้องแอร์เพรา อ, อะไรพราะแอร์อัดก็ได้หรือว่าแอร์ปรับอากาศก็ได้ไปที่ไหนก็ต้องนอนห้องแอร์ทั้งนั้นเวลานั่งก็ต้องนั่งห้องแอร์รายก็ว่าบางทีไม่มีแอร์ปรับอากาศก็แอร์อัดเบียดเสียดยัดเยียดกันก็แอร์เหมือนกัน <c oughs> แต่ที่นี่ก็มีเครื่องปรับอากาศจริงๆ พ่อเองเป็นโรคความดันต่ำสมัยหนุ่มๆพ่อไม่กลัวทั้งร้อนไม่กลัวทั้งหนาวตอนตอนนี้แก่เท่าร่างกายมันกรอบเต็มทีก่อนที่มันจะมาครั้งนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวต้องดัดว่าทรงฝากด้วยนะครับก็รับพระราชดำริคำพระองค์ว่าเรื่องนี้แตมาทิว่าเป็นภาระนาทีตัวอกาศใดจะพึงมีแล้วก็จะขอทําทันที แล้วก็คิดในใจว่าเราจะไปนั่งพูดกับใครน้อให้เขามีความเข้าใจในความสามคัคคีก็พอดีได้ยินข่าวว่าท่านเจ้าหน้าที่ของสถานีโดยจะเพาะหัวหน้าผู้ใหญ่ท่านจะมาเป็นข้าราชการท่านเอกลืมถามชื่อท่านกับหัวหน้าช่างไฟควบคุมเครื่องมาด้วยกัน แล้วในตอนเย็นก่อนหน้านั้นก็ได้มอบจะให้คุณโยมสาราญนคือมอบระพีเลขา ค, คุณว่าขอให้ส่งเจะสัสสถานีวิทยุโดยช่วยออออากาศให้ด้วยถือว่าเป็นการเยี่ยมเยิยนบรรดาประชาชนภาคใต้โดยทั่วถึงกันโดยเสียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอหัวทรงมีน้ำประทัย หวังดีมีความรักมีความปรารถนาดีแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยภาคใต้และพระองค์ก็ทรงตรัสว่าคนภาคใต้จริงๆเป็นคนรักถิ่นฐานบ้านช่องและบ้านเมืองไม่มีใครที่จะคิดแบ่งแยกบ้านเมืองเอาไปเป็นสัตดเป็นส่วนตั้งหากและก็นในบรรยายน้ำแบบไทยที่ประบาดติเจอือหัวได้กระทบกระทั่งกับเสียงระเบิดแทนที่พระองค์จะโกรธใครว่าทําแก่พระองค์ หรวไม่เคยพูดให้ใครกระเทือนใจเลยจึงนำเรื่องนี้มาพูดให้รนดาพี่น้องชาวไทยฝ่ายใต้ฟังเพื่อจะได้ทราบพระราชอติยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ได้พูดถึงความหวังดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งส่วนทรงเคราะ์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารพูดถึงประโยชน์แห่งการสงเคราะห์สิ่งอะไรกันว่ามันเป็นปัจจัยของความสุข แล้วก็ยังจะพูดไปถึงว่าความดีของท่านนายกธ่ ร, รัฐมตรีมเมื่อได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระยู่หัวทรงตั้งศูนย์ขึ้นในวัดท่านก็จัด้องทุกอย่างที่ต้องการมีเอกสารสองพันกระสอบเป็นต้นทั้ง น, น้ําตาลอีกหลายร้อยกระสอบแล้วก็มีพันผัก 1, พันพืชต่างๆมีน้ํามันสําหรับผัดผายอาหารของ ร่วมว่าของที่มีความจําเป็นท่านช่วยเธอออกปากนี่เปนน็นว่าและก็พูดถึงนโ ย, ยบายของรัฐบาลกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยูหัวที่ลงกันได้รวมกันได้นั่นคือระบบธรรมทานขนาดย่อมภายในปีพศ2521และต่อไปคณะรัฐบาลกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยูหัวมีความเห็นตรงกัน <c oughs> ซึ่งรัฐ บ, บ, บาลจะตั้งงบประมาณสนับสนุนพระราชประสงค์ของพระาบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่วางโครงการชนบทไทยขนาดใหญ่ทั่วประเทศจะให้เขตไทยทั้งประเทศมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่เป็นสุขมีข้าว พ, พอกินทั้งประเทศแล้วก็พอขายกับต่างประเทศด้วยช่วยให้คนไทยมีความสุขจะทําทนาเมอะไรจะปลูกไร่อะไรจะมีน้ําใช้ตลอดปี อันนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์ทีด่ดีที่ไม่เคยมีรัฐบาลใดๆที่จะร่วมมือกับพระบาทสมเด็จเจ้่หัวแข็งแรงอย่างรัฐบาลของท่านพลเอกเกลียงศักดิ์ชมา น, นันเพราะว่าดีที่เวลาที่ท่านทําดีถ้าว่าท่านทําไม่ดีเมื่อไรเราก็ต้องตงําหนิเมื่อ น, นั้นนี่ว่ากันเพงรัฐบาลแล้วก็เคยบอกกับท่านนายกพูดกับท่านโดยตรงท่านเป็นคนดีมาก พ่อเคยรู้จักท่านมานานหลายปีท่านนายกคนนี้ท่านเป็นคนพูดน้อยแต่เป็นคนทำจริงบางทีพ่อพูดว่าอยากจะขอความปรานีเพื่อบรรดาประชาชนท่านทำนี้บอกว่าหลวงพ่อครับอย่างนั้นได้แต่ว่าน้อยเกินไปองคิดว่าคุณจะได้อย่างนั้นคุณจะได้อย่างนี้ท่านเลยเรียนท่านว่าตาว่าท่านนายกต่างตีเห็นชอบด้วย มอบให้อัตมาก็ยินดีรับท่านก็จัดทันทีพระท่านไม่ได้พูดแต่ปากดูหน้าตายขงท่านนายกรู้สึกว่าเป็นคนสื่อๆแต่ลูกรักนาทีโลกเกอินทิโตอย่าลืมนนลูกคนที่ไม่ถูกดินทานเลยไม่มีในโลกคนทุกคนในโลกจะทำอะไรถูกเสียทั้งหมดนั่นมันไม่มีก็อาจจะผิดบ้าง เพื่อ ง, งานมากมากทั่วประเทศนี่ย้ายทำถูกเพลงไปตุกอย่างมันไม่ได้แม้แต่ห้องเล็กๆที่เราใสา่ยอยู่เป็นห้องเดียวเราคนเดียวก็ไม่สามารถจะทำให้มันดีมีระเบียบไปได้ทุกเวลาบางครั้งที่เรามีใจสบายก็จัดห้องให้เป็นระเบียบได้บางครั้งที่งานมันยุ่งขมาห้ห้องเล็กไม่ใหญ่มันก็ไม่สามารถจะสร้างระเบียบให้มันดีมันเรียบร้อยได้ชั้นใด แต่งานใหญ่ทั่วประเทศอย่างนายยกระธำมตรีจะทําให้เป็นที่ถูกใจคนย่ไม่ได้แต่จะเห็นว่าสําหรับนายกระธำมตรีคนนี้ไม่มีมานะทิฐิน่าชมอยู่นิดหนึ่งตอนดีพ่อชมนะแต่ท่านไปเสียเมื่อไรพ่อไม่ติถ้าถือว่าเรื่องของงานจะทํานไม่ถูกใจคนในอยากอย่างเรื่องปุย๋ย ที่แรกทัานตั้งกําแพงกั้นเก็บภาษีปุ๋ยใช่มากเพราะว่าโรงงานปุ๋ยในประเทศไทยเรามีสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทยต่อมาเรื่องทั้งหลายมันก็กลับโอต่พคอคือปุ๋ยในประเทศไทยผลิตไม่พอแก่การขายไม่พอใช้เป็นอันว่าคนเขาไปร้องบอกว่าถ้าปิดประตูกั้นฟอกา้เก็บภาษีปุ๋ยแบบนีนแบบนี้ไม่ปุ๋ยเข้ามา แล้วก็แยกปุ๋ยไม่พอท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจริงในเมื่อเขาบอกมาอย่างนั้นก็ต้องรับพิจรารณาพิจารณาแล้วเห็นว่ามันจริงเอ้ามันจริงก็ใช้ได้เลิกเก็บภาษีปุ๋ยปล่อยปุ๋ยเข้ามาขายได้เป็นสระราคามันจะได้ถูกชาวนาชาวไร่ที่ต้งใช้ปุ๋ยจะได้ใช้ปุ๋ยไม่แพงนี่คนประเภทนี้ใน ล, ลูกรักเขาเรียกกันว่าคนดี ความจริงเพ่อมาเลยอนะแต่ว่าท่านนายกท่านจะไปชั่วตรงไหนพ่อยังไม่เจอนี่ถ้าใครก็พบความชั่วของท่านแล้วท่านจะคิดว่าแม่อิตาลุนตานี่มาเชียร์นายกซึ่งเป็นคนเลวอันนี้พ่อก็ต้องขออภัยคนประเภทนั้นด้วยเพราะพ่อยังไม่เห็นความชั่วแต่เห็นความชั่วอะไรอาจจะติก็ได้แต่นี่เห็นความดีก็ต้องชมกันไปก่อน เป็นอันว่าเยลลาเป็นเปนเป็นจุดหนึ่งให่ความสุขของพ่อพอเดินทางมาที่นี่ลูกระพีก็ดีคุณหมอบุญยสิทธ์ก็ดีโยมสํารายก็ดีและทุกคนต่างให้ความสะดวกสบายให้ความเรียกว่าทุกเสิยงทุกอย่างที่สามารถจะช่วยได้ช่วยให้มีความสะดวกมีความสุขรู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกทุกท่านที่มีความดี แล้วในขณะเดียวกันนี้พอ่อก็ต้องขอขอบใจลูกของพอ่อทุกคนที่ลูกทุกคนอยู่ในโอวาทจริงๆไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงตลอดยังทั้งเจ้าหน้าที่สรวัตรทหารท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดรถมาทุกคนนี่เป็นคนดีจริงๆไม่เป็นคนนอกโอวาทไม่ถืออิสรภาพตนยังเกินพอดี พูดอะไรกันเพียงคำเดียวเท่านี้บุคคลรับฟังทุกคนรับฟังพ่อรักและพ่อชื่นใจมากดีใจที่คนทุกคนของพ่อเป็นคนดีจต่อตลอดทั้ทั้งลูกและพียที่งอยู่ไกลทั้งยนลาพวกเราจะมากันกี่คนก็รับหมดนี่ก็ปลายก็ได้ให้ความสะดวกสบายที่ทน่าสิาด ไม่สไม่ทร า, าบว่าวัดอะไรนรั่นเดินเดิถามเขาซะแล้วเ็าบอกชีอวัดจำไม่ได้ที่พวเรามาได้ไปพักอาศัยพ่อไ ม, ม่มีโอกาสไปขอบคุณขอบใจท่านเลยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเรียแล้วลืมไปตั้งนี้พ่ อ, อะไรเพราว่าพ่อมาจากเดินทามมาออกจากคลองวานนับแต่นั้นรู้สึกว่าร่างกายมันไม่สบาย มันกวนใจกวนประสาทตลอดเวลาพระสายก็มึนมาจับลีลาได้ต่เมื่อมาพักชุนิดบ้านรับพีคือเมื่อวันที่ยี่สี่ตอนเย็นว่าอาหารในท้องที่กินเข้าไปก่อนมันออกมาไม่หมดเมื่อออกมาไม่หมดก็ปายกดว่ามันก็ยันแมไม่ให้อาหารใหม่เข้าแล้วมันก็เข้าไปกวนประสาททำเวียนไปมึนมา เป็นอนันมากความสุขทางกายไม่มีแต่ว่าทางสุขความสุขทางใจมีมากท่านนี้ก็อาศัยบรมีขององค์สมเด็จพระพูทมีพระภาเจ้าเป็นสําคัญที่องค์สมเด็จประทรงทันบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณทรงสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทรงสั่งสอนให้รู้จักสภาวะของร่างกายและสังขาร ว่าร่างกายมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายมันเป็นทุกขงังถ้าเราไปยุ่งกับมันใจแล้วก็เป็นความทุกข์ร่างกายมันเป็นอนาัตตามันจะเป็นยังไงขึ้นมาเราห้ามไม่ได้นี่อย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่งพระองค์ทร ง, งตรัสว่าร่างกายเป็นโรคในทางมันเป็นรังของโรคทุกคนต้องมีโรคทั้งหมดขึ้นชี่ว่าโรคภัยไ ข, ข้เจ็บของร่างกายมันมีเป็นของธรรมดา เรืสัตว์หนึ่งที่ว่าร่างกายเป็นประพังคนหนังมันจะต้องเปิดเน่าเป็นธรรมดาในที่สุดนี่คำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อจำได้แล้วก็ไม่ลืมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไกรองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าชนตัดว่าถ้าเราต้องการหมดความทุกข์ต้องมีต้องการมีความสุขก็จงอย่าคิดว่าโลกนี้เป็นของเรา ทรัพย์สินทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราร่างกายของบุคคลอื่นเป็นพวกเราเป็นของเราจงคิดว่าร่างกายมันเป็นเพียงท่าศีเข้ามาไปชมกันเห็นร่างกายภายในคือร่างกายของเราก็ทําความรู้สึกเพียงสัตว์ตัวหิ้งคือไม่สนใจไม่ยึดถือว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยตัด ความโลภเสด็การให้ทานตัดความโกรธเสด็การเห็นใจซึ่งกันและกันตัดความหลงคือยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงลูกชายและหญิงถ้ามีอารมณ์ได้อย่างนี้ทั้งหมดก็ปรากราทุกคนจะมีกำลังใจเป็นสุขทุกคนจะหาความทุกข์ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีใจสบาย อารมณ์ใจของเราจะสบายได้เมื่อเรายอมรับนับกเที่ยกขึ้นความเป็นจริงสมมติว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเที่ยงพระอาทิตย์ร้อนจัดตอนเย็นพระอาทิตย์หายลับตอนกลาคืนความมืดสมบูรณ์ถ้าเรารู้ว่าอย่างนี้มันเป็นปกติเราก็ไม่มีความหนักใจเมื่อค่าลงไปมาไรแล้วก็หาแต่กเกียงหาไฟเขาไว้เพื่ออยากทำแสงสว่างให้ปรากฏ เมื่อพระอาทิตย์อสูรดงคดก็มีแสงปรากฏชื่อแสงไฟสว่างแทนมันก็หมดความหนักใจเวลาเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่เราก็ดับไฟเตรียมตัวไว้่าเวลากลางคืนเวลาตอนกลางวันเที่ยงจัดกับปรากฏว่าอากาศมันร้อนจัดแล้วก็รู้อยู่แล้วน้ําใจของเราก็มีเรียกความผ่องแผ้วไม่มีความเกลี้กรุ่มเพราะไม่จะร้อนยังไงก็ตามทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีมาทุกวัน อรวบันดาลูกรักทั้งหลายของพอ่อถ้อยคํา ข, ขององค์สมเด็จพระิหิตามานบรมัสาศสนด า, ส, าสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้อ ย, ย่างนี้ถ้าทุกคนปฏิบัติได้กําลังใจของลูกจะมีความสุขทั้งนี้พ่อไรกะผู้ว่าใจเราจะสบายเพราะยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงถ้าลูกรักทั้งชายและหญิงพยายามตัดโลภะคือความโลภ โทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงพันได้แล้วทุกคนทุกคนจะมีแต่ความสุขแล้วก็มันเป็นความสุขที่เราคิดไม่ถึงมีบางคนว่ามันจะมีความสุขได้ยังไงความสุขอันนั้นจะมีความรู้สึกเรียกันใดอันนี้อธิบายไม่ได้จริงๆลูกร่างกายมาจะปัน่นป่วนร่างกายมนยะปัน่นป่วนอาการต่างๆมาลุกราน เด้รู้สึกว่าถ้าใจของเรานี้นั้นเป็นใจที่ปราศ จ, จากความโลภเป็นใจที่ปราศ จ, จากความโกรธเป็นใจที่ปราศ จ, จากความหลงขึ้นเชื่อว่าความพันผลใดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งมันจะเป็นยังไงก็ช่างใจมีความสุขมองโดูเวลาลูกรักสาหรับเนื้อเทศยังคงเหลืออยู่ แต่นก็ว่าบองดูเวลาที่ควรจะพูดเวลามันบอกว่าเวลานี้สมควรแล้วที่จะงมดเรื่องใดก็ตามที่ยังไม่หมดก็คือเรื่องกลับไปสงขาพ่อไม่อยากจะพูดอะไรให้ละเอียดนักเพราะเกรงว่ามันจะมีความลำคาญเกินไปในที่สดุดจนทราบตามกำลังใจของพ่อว่าพ่อต้องการให้ลูกทุกคนมาครามนี รู้จากสถานที่ที่เราจะทําประโยชน์ให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โปวงชนชาวไทยไม่ใช่มาเที่ยวหาความสุขหาความสมบายเรามาช่วยกันตั้งใจสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชาวไทยทั้งหมดจึงกว่าจะสินนส้นลมปรานสัมบรณ์เวลาหมดและลูกหลานพ่อขอ้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์ทพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผล จงมีแดโลูกทุกคนสวัสดี